นานาสังวาสกะภูมิและสมานะสังวาสกะภูมิภิกษุนานาสังวาสกะภูมิมีสองอย่างนี้คือ 1. ภิกษุทําตนให้เป็นนานาสังวาดด้วยตนเองสองสงพร้อมเพรียงกันลงอุเขปนียกรรมภิกษุรูปนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเพราะไม่ทําคืนอาบัต หรือเพราะไม่สลักทิฏฐิบาปภิกษุนานาสังวาสกะภูมมีสองอย่างนี้แหลภิกษุสมาณสังวาสกะภูมมีสองอย่างนี้คือ 1. ภิกษุทำตนให้เป็นสมาณสังวาดด้วยตนเองสองสงพร้อมเพรียงกันรับภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต เพราะไม่ทำคืนอาบัติหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเข้าหม่ภิกษุสมาณสังวาสกะภูมิมีสองอย่างนี้แหล456สมัยนั้นพวกภิกษุเกิดความบาดหมางเกิดความทะเละวิวาทแสดงกายกรรมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกัน ชุดรั้งกันในโรงอาหารในละแวกบ้านคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรจึงเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลวิวาทแสดงกายกรรมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกันชุดรั้งกันในโรงอาหารและในละแวกบ้านเล่า พวกภิกษุได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิประนามโพนทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยละพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าฉไหนภิกษุทั้งหลายจึงเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทแสดงกายกรรมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกันฉุดรั้งกันในโรงฉันในละแวกบ้านเล่า แล้วนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสถามพวกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุเกิดความบาดหมางเกิดความทะเละวิวาทแสดงกายกรรมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกันถึงกับจุดรั้งกันในโรงอาหารในละแวก บ, บ้านจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิละครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสงแตกกันแล้วแต่ยังทำกิจที่ไม่เป็นธรรมเมื่อคำแสลงใจเป็นไปอยู่ ภิกษุเหล่านั้นพึงนั่งบนอาสนะโดยคิดว่าเพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเราจะไม่แสดงกายกรรมวจีกรรมอันไม่สมควรต่อกันและกันจะไม่ฉุดรั้งกันเมื่อสงแตกกันแล้วทำกิจที่ไม่เป็นธรรมอยู่เมื่อคำสแสลงใจเป็นไปอยู่พวกเธอพึงนั่งในแถวที่มีอาสนะขั้น457 สมัยนั้นพวกพิกษุเกิดความบาดหมางเกิดการทะเละวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ในถ้ำกลางสงพิษุเหล่านั้นไม่สามารถประงับอธิกรณ์นั้นได้ครั้งนั้นภิษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ภิกษุรูปนั้นผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอประทานวโรกาสพวกภิกษุเกิดความบาดหมางเกิดการทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ในท่ามกลางสง์ภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้พระพุทธเจ้าข้า ขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอนุเคราะห์สะเสด็จไปหาพวกภิกษุเหล่านั้นเถิดพระผู้มีพระภาครับอาราธนาโดยดุษนีภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จเข้าไปหาพวกภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ประทับนั่งบนพุทธาอาจที่ปูไว้ได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าอย่าเลยภิษุทั้งหลาย พวกเธออย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาดกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุฝ่ายอธรรมวาทีรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีทรงโปรดรอไปก่อนพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงขนขวาน้อย ประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะปรากฏเพราะความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งและความวิวาทนั่นเองแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแยง้ง